อาจารย์นี่ขออนิมนต์อาจารย์วัฒนชัยสแสดงธรรมด้วยขอน้อบน้อมต่อคุณพระรัตนไตรโอกาสพระอาจารย์ไพศาลพระอาจารย์ยูกิเพื่อนธรรมิกูท่านจเจริญธรรมไม่ทีระยะิธรทำดูท่านเมื่อกี้เราก็ได้สวดอริ ม, มัตมยงแปกเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทที่สำคัญมาก แต่ว่ามันก็มีความเป็นมาความเป็นไปเนาะว่าเป็นไปอย่างไรมาอย่างไรอันนี้ก็เริ่มครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในปฐมเทศนาเนาะในเรื่องของอืธรรมจักกัปปนาสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงในข้อแรกที่ว่าทางสุดตรงสองทางก็คือการที่เราอยู่ในกาม การมาสุขันในการนุโยคและการที่เราไปทรมานตนในอัตตกิรมัานุโยกนั้นก็ไม่เป็นผลทางเพราะมันเป็นทางสุดโตงสองทางที่มันไม่นําไปสู่ความพ้นทุกข์แต่อย่างใดแล้วก็ได้ทรงเสนอทางไสกลางขึ้นมาทางไสกลางก็คือระยะมรึมงแปดที่เราสวดไปเมื่อตะกูนั้นแหละคร <c oughs> น, นี้เนี่ยตรงนี้จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าได้แสดงหลักที่สําคัญอย่างยิ่งที่เรียกว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกว่าการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงต้องมาวินไบไตเกิดนำภพนำชาติไม่ทั่วรวมทั้งเราทั้งหลายก็เพราะเราไม่รู้อริยสัจสี่นั่นเองเนะาะอริยสัจสีนี้นะมีมรรคเมียแปรรวมในนั้นด้วยครั้นี้มันก็มีหัวข้อสําคัญอยู่สี่ประการซึ่งเรียกว่าเป็นสัจจะนะสัจจะอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการนั้นเนาะ ก็ได้แก่ทุกข์นะทุกข์ก็คือความจริงความจริงก็คือทุกข์นั้นมีอย่างไรบ้างก็คือชาติเป็นทุกข์าความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาเป็นทุกข์าความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะเป็นทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกข์โทมนัสสุปายาสาเป็นทุกข์าความโศกความร่ำไรลำพัน์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ความขับแคนใจก็เป็นทุกข์การมาสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์วามปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ก็คือกายและใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์เพราะฉนั้นเราจะต้องรู้จักทุกข์ให้ได้ก่อนนอกจากได้ว่าผู้ใดที่เห็นทุกข์ผู้นั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์เราก็จะไม่ดิ้นรนออกจากความทุกข์ เพราะความาทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ประจับเป็นของแท้อยู่แล้วที่เราจะห ล, ลีกเลี่ยงไ ม, มพ่พ้นอยู่ที่ว่าเราเห็นเขาไหมเราประจักษ์เขาไหมแล้วก็กิจที่เราต้องทําเกี่ยวกับความทุกข์นั้นก็คือเราต้องรู้นะต้องรู้นะบางคนไม่รู้จักความทุกข์อันนี้ก็น่าสงสารเพราะว่าอยู่กับความทุกข์แต่ว่าไม่รู้จักความทุกข์ก็จะไม่ดิ้นหลนจากความทุกข์แล้วก็ต้องเวียนวายตาเกิดนับพนาชาไม่ท่วนเพราะว่าเราไม่ดิ้นหลนที่จะหาทางพ้นทุกข์นั่นเองเนาะ ต่อมาก็คือได้ทรงแสดงคุนทางการเกิดทุกข์นะก็คือสมุทยัยนะสมุทยัยนี่เป็นต้นเหตุแห่งการเกิดทุกข์ก็ได้ทรงแสดงไว้ว่ายาจังตันหาโปโนโภวิการนันทิราคาส า, าตาตตระตตราพินันทินีก็ได้แก่ตันหานั่นเองเนาะตันหานี่แหละคือสาเหตุแห่งการที่นำให้เราไปเกิดใหม่ได้แก่การที่เรามีความกำหนัด ความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเสยยะทีทางกามตัญหา <c oughs> ได้แก่การมตตตัญหานั้นก็คือมีตัญหาในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐะธรรมอารมณ์ก็คือคนเราเนี่ยจะมีประตูอยู่หประตูที่สามารถนำไปสู่จิตใจให้เกิดความรักความชางังเกิดลมต่างก็คือต่างตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เนี่ยมันก็จะรับรู้ในสิ่งต่างอยู่ตลอดเวลานะมีจากครูวิญญาณไปรับรู้นะเมื่อตากระทบรูแต่ถ้าไม่เกิดจากครูวิญญาณก็จะไม่รับรู้นะเช่นคนที่นอนหลับแล้วลืมตาเป็นต้นหรือคนที่ไม่สนใจบางคนเดินผ่านก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะไม่ได้เกิดการรับรู้การสนใจในตรงนั้นนะตรงเนี้ยมันจะเกิดวิญญาณวิญญาณมันนําไปไหนนําให้ใจเรานั่นเองนะ ไปเกิดการปรุงแต่งต่อเป็นความรักความชางังความโกรธความเกลียดความมาคาดทยาบาทนะปรุงแต่งมากมายนะตรงความปรุงแต่งนี่แหละมันเป็นทางให้ความทุกข์เนะมื่อกี้เราก็มีสวดอยู่แป๊บหนึง่งในเรื่องที่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราอันเนี้ยคำว่าสังขารเนี่ยบางคนไปต็นนําเป็นสวดในเรื่องงานศพคนตายจริงๆมันไม่ใช่นะมันมีสรุปในตอนท้ายว่าเมื่อระงับสังขารได้แล้วเราก็จะพ้นเราก็จะมีความสุขสังขารคือความปรุงแต่งนั่นเองเนาะ เพราะนั้นจิตใจคนเราเนี่ยก็จะมีความปรุงแต่งตลอดเวลาเลยเพราะนั้นเมื่อเรารู้ไม่ทันจิตใจที่ปรุงแต่งแล้วก็อมีตันหามีวทานตรงเนี้ก็นําให้เป็นเห็นเราไปเกิดใหม่ในภพชาติก็คือในจิตใจเรานี่แหละมันไปสร้างภพสร้างชาติในใจเราเมื่อเรารู้ไม่ทันมันก็ไปสร้างอยู่เรื่อยๆเป็นภพเป็นชาติอเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดชานเป็นเทวดาเป็นพรหม และจิตใจเรานี่แหละก็นําให้เราไปเกิดใหม่นะเพราะเมื่อใดที่จิตเราอ่าตายโดยภาวะจิตเช่นใดมีสภาวธรรมอย่างไดในจิตเราเช่นใดก็ยังมีพ่ภูมิที่รองรับจิตเราอยู่ในภาวะเช่นั้นทุกๆทุกๆภูมิไปเนาะจนกระทั่งจิตเราเนี่ยพน้นออกมาจากความปรุงแต่งต่ตางๆได้แล้วรอดเยาวทานได้แล้วก็จะไม่มีพ่อภูมิที่จะมารองรับอ่าจิตที่ไม่มีสภาวธรรมใดๆในตรงนั้นเนาะ อันนี้ก็ต่อมาก็คือพราะวะตัณหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายเนาะแม้แต่เราเป็นนักปฏิบัติถ้าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้นก็เป็นตัณหาตัวหนึ่งเนาะแต่ก็เป็นตัณหาในทางที่ดีแต่ก็คือตัณหานั่นเองให้เรารู้ทันตัณหาเหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติรรมแล้วก็ไม่ต้องอยากเป็นอะไรไม่ดีกว่าหรือเพราะการอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่เมื่อเราไม่ได้ในสิ่งนั้นเราก็มีความทุกข์นะแต่เมื่อเราได้แล้วก็มีความทุกข์อีกเพราะมันก็ไม่เที่ยงเนาะ เพราะนั้สภาว่ใดที่ไม่ไม่เที่ยงนั่นแหละคือความทุกข์เราก็รู้ทันไปเราก็ไม่ได้ทําด้วยตัณหาแต่ก็ทําด้วยความฉันทะก็คือความพอใจมาปฏิบัติก็เป็นการเรียกว่าเรามีความพอใจปฏิบัติเป็นพุทธบูชาก็ได้นะหรือว่าทําบุญให้กับพ่อแม่เรานะตรงนี้เราก็ไม่ได้ทำํำด้วยตัณหาแต่ทําด้วยความพอใจเมื่อมีความพอใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นแหละตรงนี้เราจะสบายใจเนาะ ต่อไปก็เป็นวิภาวะตัณหานะก็คือความไม่อยากได้ไม่อยากไ ม, ไม่เป็นเป็นการผักใสาอารมณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่เราไม่ชอบใจตัวนี้ก็เป็นความทุกข์นะจิตใดที่มีความดิ้นรนนในความอยากได้หรือการผักใสก็แล้วแต่นั่นแหละคือความทุกข์แล้วเนาะนี่แหละคือสาเหตุใงการเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นอ่าสมุทัยก็คือกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาและกิจในสมุทัยก็คืออ่า เราต้องละเนาะต้องละตรงนี้ก็คือต้องละตัณหานั่นเองเพราะฉะนั้นในอ่าลําดับต่อมาก็คือนิโรธนะนิโรธก็คือความดับทุกข์จริงๆแล้วถ้าเรามาสรุปหนทางจริงๆในพุทธศาสนาก็มีสองทา ง, งนั้นก็คือให้เรารู้จักทุกข์แล้วก็สู่ความดับทุกข์เนะาะคราวนี้ว่าเออพระนิพพานอยู่ที่ไหนนะบางคนก็ไปอไปปรุงแต่งมากมายเป็นสถานที่ต่างๆเนาะ จริงๆแล้วก็อยู่ในใจเราเนี่แหละ ว, ว่าเราดับทุกข์ในใจเราได้ไหมถ้าเราดับทุกข์ในใจเ ร, เราได้แล้วนะตรงเนี้ยมันก็มันก็หมดใช่ไหมหมดไปเพราอเราไม่มีอุปทานในตรงนี้พบชาติก็หมดไปนี่แหละคือการดับทุกข์นะเพราะฉะนั้นเราไม่ไปหาว่าอยู่อยู่ตรงไหน อ, อยู่สถานที่ไหนอันนั้นมันห่างไกลแต่ว่ามาดับในใจเราเนี่แหละเราพนันธุ์พานก็จะปรากฏในใจเราทันทีแล้วเนาะแล้วเมื่อเราจิตใจเรามันหมดจริงๆแล้วมันก็ไม่มีพบชาติที่ต้องไม่เกิดใหม่เนี่แหละ คันนี้นะันนิโรธในหมายความมาอย่างไรนะนนิโรธคืออโยตัสายะวะตันหายะอาเสสสวิลากันิโรโทจาโคปนิสโคมุติตารโยก็คือการดับนั่นเองนะดับอะไรดับตันหานิโรธก็แปลว่าดับทุกขก็นิโรธก็แปลว่าดับความทุกขนะ์ความทุกข์ก็คือสาเหตุการเกิดทุกข์ก็คือตันหาเมื่อกี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าสมุทัยนะั้นแหละคือตันหานะเพราะนั้นเราก็คือมาดับตันหานั่นเอง ดับอย่างไรนะก็คือเวลาคัค ก, ก็คือการทําให้ตันหาเนี่ยเข้าจางคลายเาข้าคลายออกคลายจะตันหานิ โ, โรธก็คือการดับไม่เหลืองตันหานั้นจาโคคือการสละออกปฏินิสโค ก, การสลัดคืนของตันหามติคือการปล่อยการวางอนารโยคือการทําให้ตันหาไม่มีที่จะใสนี่เราก็การดับตันหานั่นเองนะนี่แหละคือนิโรธเพราะฉะนั้นตันหาก็คือสมุทยัยเมื่อเ ร, เราดับสมุทัยได้แล้ว อ่าความทุกข์ก็จะหมดไปเนาะต่อมาอทมนิโรดนิโรดนั้นเรามีกิจอย่างไรก็คือต้องทําให้แจ้งเนาะทําให้แจ้งต่อมาก็คืออหนทางอย่างไรที่เราจะทําให้เกิดนิโรดก็คือปฏิปทาอ่าในการดับทุกข์นั้นจะทําอย่างไรก็คืออะเลมักมีองแปดนั่นเองเนาะอะเลมักมีองแปนี่ยกิจก็คือเราต้องทําให้เกิดงาที่เราได้สวดไปแล้วก็คืออสัมมาทิฏฐินะ ปัจจาระคือสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นชอบนั่นเองนะอันนี้ก็คือปัญญาอยู่ในระดับปัญญานะอันที่สองก็คือสัมมาสังกัปโปคือความดํางหลีชอบหรือความคิดชอบครั้งนี้ยสัมมาทิฏฐิก็คือการที่เราเห็นในอริสัตถสี่นะตรงนี้ในสองบทนี้ก็คือปัญญาศิกขานะคือเป็นระดับปัญญาศิกขาที่เราต้องเห็นความจริงในตรงนี้ก็คือเห็นอริสัตถสี่นั่นเองเนาะ อต่อมาอันที่สามก็คือสัมมาวาจาเจรจาชอบอันที่ 4, สี่สัมมากัมมันโตการกระทําชอบอันที่ห้าสัมมาอาชีพ <c oughs> มีอาชีพที่ชอบอันนี่ก็คือศีลสิกขาก็คือเราเลี้ยงชีพด้วยสิ่งเหล่านี้นะั่นแหละคือการที่เราไม่ผิดศีลด้วยสัมมานะคือเลี้ยงชีพวิตด้วยสัมมาเลี้ยงชีวิตหมายความว่าเรามีศีนในการที่เราว่าเราดํารงชีวิตอยู่เนาะ ไม่ใช่ว่าเราทําการงานอะไรเฉยๆแต่นั่นแหละคือการกระทําในการทุกๆอย่างทั้งกายวาจาใจจะต้องมีสัมมาก็คือมีสีในตรงนี้ให้ได้นะต่อมาก็อันนี้ก็คือศีลสิกขาต่อมาก็คือจิตตสิกขาก็มีสามอย่างก็คือสัมมาวายาโม О, มีความเพียรชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบเนาะอันนี้ก็คือ จิตติสิกขาจิตติกษาจิตติสกาก็คือการดำเนินทางจิตนั่นเองนะเพราะนั้นโดยทั่วๆไปก็มีการสรุปว่าอาริมารมีองค์กายก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเนาะแต่ถ้าเราสรุปให้ละเอียดนิดนึงว่าในข้อสมาธินั้นหรือจิตสิกขาจิตติกขานั้นเราก็แยกเป็นอย่างนี้ว่าศีลสติสมาธิปัญญาเรา เพราะคำว่าสตินี่เราจะละทิ้งไม่ได้คือการระลึกชอบนั่นเองแล้วก็มีการแยกเรื่องสติมาก่าไว้ในสติปัฏฐานสี่ด้วยนะตรงนี้เราก็เป็นสิ่งที่เรามีความสำคัญมากหรือว่าถ้าเราเร า, <c oughs> เรามีสติแล้วนะมีสติแล้วเนี่ยเราก็จะมีครบนะทั้งศีลทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญาแต่ถ้าเราขาดสติตัวเดียวนะ สตินี่็คือความที่เรารู้ไหมขณะนี้กําลังทำอะไรเราอยู่นะกําลังทำอะไรนะมีตรงเนี้ยมันว่าปัจจุบันเนี่ยกําลังทำอะไรถ้าเราขาดจะตรงนี้ไปเราก็เรียกว่าขาดสตินะคนที่ขาดสติเนี่ก็ไม่รู้กําลังทำอะไรเมื่อไม่รู้กําลังทำอะไรก็คือไม่มีสีนั่นเองนะก็คือมันไม่รู้ว่ากําลังทำอะไรเช่นอ่าคนที่ดื่มเหล้าเป็นต้นนะอ่าดื่มเหล้าเป็นตน้นคือคนเราเนี่ยมีสติน้อยอยู่แล้วเมื่อไปดื่มเหล้ามันก็จะขาดสติก็คือไม่รู้กําลังทำอะไรนะ แม้แต่ทาไม่ถูกต้องก็ยังไม่รู้เลยนะบางคนดื่มเหล้าเป็นคนดีๆไปยืนฉี่การหล น, นก็มีนะอ่าหรือไปทําสิ่งที่มันไม่สมควรที่ปกติก็จะไม่ทําก็จะทํานี่แหละคนดีๆนะเมื่อขาดสติวับเนี่ยศีนก็รักษาไม่ได้ใช่ไหมรักษาอตัวสติคือไม่มีสติคแค่เราดื่มเหล้าหรือว่าเสพยาเสพติดปุ๊บเนี่ยมันจะขาดหมดเลยนะก็จะไป ท, ทําผิดทุกๆข้อได้เลยศีนอีกสีข้อแล้วรักษาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นประการแรกจะรักษาศีนได้ต้องมีสติสก่อนนะ ระบบคำเขียนก็จะเน้นเรื่องสติเป็นอย่างยิ่งนะท่านก็บอกไว้ว่า้ามมันก็เสือตัวหนึ่งนะอ่ถูกขังในกรงเสือตัวเนี้มันร้ายกาดดุร้ายมากามันพร้อมที่จะมาฆ่าคนได้ตลอดเวลานะแล้วก็คนเราก็เอาลูกกองห้าซี่ไปขังมันก็ขังไม่อยู่นะขังไม่อยู่หรอกเอาลูกกองแปดซี่ไปขังก็ไม่อยู่ลูกกงสิบซี่ไปขังก็ไม่อยู่ลูกกงสองรอยิบเจ็ดซี่ก็ไปขังก็ยังไม่อยู่นะก็คือน่ะ เสือตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นตันหาเนอะอะมันร้ายกาศมันคอยทําร้ายคนให้ทําตามใจมันทุกอย่างนะถ้าไม่ทําตามใจมันมันก็จะจัดการอาวาดนะอะให้เราดิ้นลนนะบางคนมาอยู่วัดนะนานๆโอ้อยากจะกินนูน่นกินนี่อยากไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่นะอยากไปหาความเพลิดเพลินทางตาดูรูปอยากได้ฟังเสียงที่เพลิดเพลินนะอะไรต่างๆเหล่านี้ยนี่แหละคือตันหานะอ่ะาครั้งนี้ถ้าเรา ไอ้ไอ้ผูเนี่บางทีมันก็ขังไม่อยู่นะสองอยบ็ดมันก็ขังไม่อยู่ปัจจัยมันได้ลนตลอดเวลามีโอกาสมันก็อยากจะทํำนึ่งหละคือเสือตัวนี้มันไล่กาดนะมันจะนําให้เราออกไปกินนะไปกินที่มันชอบแล้วเมื่อมันอิ่มมันก็จะดีใจมันก็จะมอบรางวัลเรานิดนึงเออมีความสุขมีความพอใจแล้วงั้นมันก็หิวแล้วนะมันไม่ให้มันอิ่มตลอดกาลเรามันก็หิวบอกไปเถิดไปเถิดไปเถิดไปข้างนอกเถิดเนี่ยเใช่ไหมมันก็ให้เราไปกินต่อนะมันไม่ไม่ด้วยกับอิ่มบางทีนึงนั่นแหละมันมันจึงเป็น ตัวเสือลายนะเพราะฉะนั้นมันขังไม่อยู่หรอกไอ้ประเภทต่างๆลูกกงต่างๆเหล่านี้แหละแต่หลวงพ่อบอกว่ามีอยู่ลูกกงซีเดียวนะใช้ซีเดียวขังมันอยู่เสือมันออกไปไม่ได้หรอกก็คือสตินั่นเองนะผู้ที่มีสตินั่นแหละมันจะออกไปไม่ได้ตรงนี้เห็นว่าสติมีความสําคัญมากเพราะฉะนัะ้นผู้ใดที่มีสติแล้วก็จะสามารถที่จะออกจากตัณหาได้แล้วก็มีการกล่าวว่าลอยสัตว์ลอยเท่าสัตว์ทั้งหลายนะคือสัตว์บกนี่แหละ รอยเท้าช้า ง, างอยเท้าวับช้างในใหญ่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นรอยเท้าสัตว์ทุกประเภทก็รวมไปในรอยเท้าช้างได้ฉันใดทำทั้งหลายก็สามารถรวมลงมาในสติสติได้ฉันนั้นเพราะสตินี้คือธรรมใหญ่เมื่อมีสติแล้วทำทั้งหลายก็จะตามมาเองเนาะแต่เมื่อมีมีสติแล้วทำทั้งหลายก็ไม่อาจจะมาได้เพราะาเราขาดสตินั่นเองเนาะความสติก็คือเป็นสิ่งต้องมาฝึกมาดูแลมารักษาให้เกิดขึ้น นะคณิตสติก็คืออะไรนะในสติปัฏฐานสิก่าวไว้ว่าสติเนี่ยประกอบด้วย4ประการนะก็คือกายเวทนาจิตธรรมเนาะกายก็คือกายอนุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยคว่ากายนะก็คือกายบวกกับอนุปัสนาณะอนุปัสนาคืออะไรก็คือการตามรู้อนุการตามรู้นะนะตามรู้อะไรตามรู้กายนะตามรู้กาย ตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมครั Thank you. Thank you. Thank you. ้งน um, uh, ี er. ้ยเราก็ตามรู้ในสิ่งเหล่านี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เท่าทันกายครั้นี้รู้เท่าทันอย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงว่ารู้เท่าทันในอิรุปย์ใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอนนะให้เรารู้ทันในสิ่งเหล่านี้ยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่เดินนั่งก็รู้นั่งนอนก็รู้ว่านอนตรงนี้เรารู้ทันไหมจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ทํามาตลอดชีวิตแล้วใช่ไหมเราก็ยืนเดินนั่งนอนมาตลอดชีวิต แต่ว่าเราก็ไม่เคยกลับมารู้เลยว่าขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่เนาะตอนนี้เรานั่งเรารู้ไม่ว่าเรากําลังนั่งนีตรงนี้นะอ่าอย่างเราเดินนะเราก็จะเดินก็คิดไปเรื่อยเมื่อไหร่จะถึงเนะเาะอ่าไปแล้วจะทํางานทันไหมอา่ารถจะติดไหมอา่าเดี๋ยวก็จะไปพบเพื่อนที่ไหนดิเย็นจะไปกินข้าวที่ไหนนีมันก็คิดไปนาดีคิดไปนาก็ตลอดใช่ไหมตรงนี้ไม่เคยกลับมารู้เลยกําลังทําอะไรอยู่เนาะ ะตรงนี้ก็ค right? so, ืออิปปใหญ่ทั้งสีก็คือเราไม่ทําในอิปปใดก็ต้องอิปปหนึ่งใช่ไหมไม่ยืนก็ต้องเดินไม่เดินก็ต้องนั่งไม่นั่งก็ต้องนอนอี่ยตรงนี้กลับมารู้ได้ไหมไม่ก็คือปัจจุบันที่เราทําอยู่แล้วนะก็คือเราต้องอยู่ในปัทั้งสีนั่นเองแล้วเรากลับมารู้ทันไหมนะจริงๆแล้วแค่รู้เรานั่งนี่เป็นการปฏิบัติรมที่จบแล้วนะไม่ต้องยาวจบเลยการที่เรารู้เรานั่งเรารู้แล้วนั่งรู้นั่งใช่ไหมนะต่อมาพุทเจ้าให้เรารู้ในสมชัญยปัภก็คือให้เรารู้ ในคืออริบท่างๆที่มันย่อยลงมานะย่อยลงมาละเอียดมากขึ้นน ะ, ะเช่นเลี้ยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังทรงจีวรสังาสังคาติก้มเงยคู่แขนเหยียดแขนต่างๆเหล่านี้ดื่มลิ้มกินเคี้ยวนะอุจละปัสาวะเนี่ยก็คือตามรู้ในบทต่างๆในชุปเจวันเราทั้งเองนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเออต้องเข้า ไปอยู่ในที่สงบสงัดนะอะไรต่างๆแล้วค่อยปฏิบัติทำได้ไม่จําเป็นนะถ้าทําได้ก็ดีแต่ท่านไปยุคของลึกซือชีภัยที่มีป่ามีเขามีความสงบสงัดจิตมิเวกเป็นต้นอันนั้นก็ไปเจริญเอานะที่ท่านสามารถทําได้แล้วก็ไปสู่สมาธิไปสู่สมาธิแล้วก็ไปสู่ปัญญานะอันนั้นเป็นขนทางที่เรียกว่าในสมัยก่อนเนี่ยทำได้ดีแล้วเพราะว่ามันบรรยากาศต่างกันจากทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้นะเราถ้ายังไม่มีป่าไม่มีเขาแล้วนะบางที่เดินทุดงไม่ไป่านะ โอ้เดินไปทับตายเจอไกลหมู่บ้านจัดสรรบ้างไกลไปรีสอร์ตบ้างเพรานั้นมันไม่มีป่าใเราทุดงเนี่ยมาเพราะฉะนั้นการทุดงจริงๆก็คือกลับมาทุดงในจิตในกายแล้วนี่แหละตรงเนี้กลับมาลูกลุกกายรู้ใจเราเนี่แหละเป็นการทุดงที่ถูกต้องนะบางคนเคยถามว่าเออไม่ไป็นทุดงแล้วเหรอบอกไม่ไม่ไปแล้วตอนนี้มันทุดงในจิตเราดีกว่านะจิตเราเนี่ยมันทุดงในตลอดเวลาอยู่แล้วนะไม่ได้ไปป่าไปเขาหรอกตรงนั้นอ่ะมันก็ไปเจอรีสอร์ตต่างหางนะมันตรงนั้นมันไม่ทันกิเลสแล้วนะ เดี๋ยวในกิเลสมันอยู่ในใจเราเราอยู่ในป่าในเขาอยู่ในถ้าลึกนานๆกิเลสก็ตามเราในใจตลอดเวลานะมันหนีไม่พ้นหรอกแต่ว่าถ้าเรารู้จักกิเลสในใจเราแล้วเนี่ยเราก็จะออกออกมาได้นะออกจากกิเลสเนี่ยได้นะมันไม่ต้องอยู่ในไหนหรอกตูดงในใจเราเนี่ยดีที่สุดใช่ไหมครัวนี้เราก็กลับมารู้ในตรงนี้นะดื่มกินพูดคิดอะไรต่างๆเราเนี่ยกลับมารู้ในปัจจุบันธรรมเนาะเพราะปัจจุบันธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะ ปัจจุบันนี้มันแค่แวาบเดียวนะไม่ว่าตลอดกาลนานอะไรแค่วาบเดียวตอนนี้เราฟังปุ๊บมันหลุดไปแล้วนะหลุดหลุดปัจ Under ปจุบันไปแล้วนะมันจะหลุดเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องอริสตสีก็หลุดไปแล้วนะมันดับไปหมดแล้วใช่ไมปัจจุบันมันแค่วาบเดียวเท่านั้นเองนะกลับมารู้ในตรงนก้รังทําอะไรอยู่ตอนนี้เป็นสัมผัสสดๆไหมได้ยินเนี่ยสัมผัสสดๆไหมรู้เป็นปัจจุบันเนี่ยแค่รู้สึกเราได้ยินก็จบแล้วรู้เรานั่งสัมผัสสดๆก็จบแล้วนะหลังนี้มันก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไปเพราะว่าอะไรว่าปัจจุบัน นั่งก็ไม่ต้คิดว่ากำลังนั่งใช่ไหมได้ยินก็ไม่ต้องคิดว่ากําลังได้ยินแต่ว่าคือความจริงความจริงมันไม่ต้องอาศัยการคิดแต่เป็นแค่การรู้เท่านั้นเองนะทิ่งที่รู้นั่นแหละมันอยกจากความคิดได้เพราะหลวงพ่อเทียนก็เลยมีอยู่บายในการออกจากความคิดมาเป็นตัวรู้แทนนะเพราะคนเรามันคิดตลอดเวลาคิดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่การที่มันคิดนั่นแหละมันคือการหลงไปนะหลงไปในความคิดเข้าไปในความคิดัำนั้นก็จะนำความทุกข์ ความปรุงแต่งนําสังขารมาสู่เราแต่เมื่อเราแค่รู้เฉยๆเท่านั้นเองนะรู้เฉยๆมันก็จะไปไม่ยุ่งกับความคิดก็คือเราเห็นความคิดได้ใช่ไหมการที่เราเห็นความคิดนั่นแหละตรงนี้มันดีมากนะหลวงพ่เทียงก็เลยเน้นแบบว่าให้เห็นความคิดไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดเพราะการที่เราเข้าไปในความคิดเราก็ไม่เห็นความคิดใช่ไหมเหมือนกับเราอยู่ในน้ํำนี่แหละเราก็มองมาเห็นปลามองมาเห็นรอบๆตัวเรามีอะไรบ้าง พอเราอยู่ในน้ําแต <Yeah. S 2> ่มาแต่เม <Dios S 3> ื่อเราขึ้นจากน้ํำเราก็จะเห็นเห็นเห็นปลานเห็นรอบๆตัวเราว่ามีอะไรบ้างเพราะงั้นการที่เราก็ไปในความคิดมันก็จะไม่เห็นนความคิดแต่เมื่อเราออกจากความคิดได้ก็เห็นความคิดได้เมื่อเห็นความคิดได้ก็เห็นความปรุงแต่งได้เพราะฉะนั้นประการสําคัญคือเราเห็นความคิดไหมการจะเห็นความคิดก็คือ เรากลับมารู้ปัจจุบันนั่นเองนะรู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่คิดเราก็รู้ทันกําลังทําอะไรก็รู้ก็รู้ทันคือเมื่อมีการรู้ทันกายแล้วก็จะเห็นก็จะรู้ทันใจได้ด้วยนะเพราะว่ากายและใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เว่ามันเป็นข้อที่ว่ามันประสานกันนะมันก็เหรียญนะมีสองด้านนะหัวก้อยนะเราหยิบด้านใดด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึก็ต้องติดมาหยิบด้านหัวด้านก้อยก็ต้องติดมา เมื่อเราสังเกตกายได้นะยืนเดินนั่งนอนตรงนี้ใจเรามันมันไม่ได้ดิดิด้นหลุดออกไปทางอื่นมามันก็มีหลักอยู่มีหลักอยู่ในการที่เรียกว่าให้เขาอยู่นะอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่แบบไปเที่ยวเตลิดเปิดเปลงไปเรื่อยๆตรงนั้นอ่ะมันก็ไหลก็ไปนในความคิดแล้วแต่เมื่อมีหลักอยู่แล้วใจมันก็จะอยู่กับปัจจุบันนี้นะกําลังทำอะไรยืนเดินนั่งนอนก็รู้ดื่มกินพูดคิดก็รู้ก็มือเขามีหลักอยู่แล้วเนี่ย ขว็บจากปัจจุบันก็คือเข้าสอดีหรือนาคตเราก็รู้ทันเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันนั่นเองนะมันก็ตรงเนี้ยทำให้เราเห็นอดีตอนาคตที่ชัดเจนนะเพราะนั้นมา่ก่อนที่มันจะไหลเข้าไปในอดีตไหลไปในอนาคตยาวมันก็เริ่มจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วก็จะกลับมาลุยเชื่ออยู่กับปัจจุบันนะแต่ลวงพ่อเทก็ไม่ได้ให้เราห้ามความคิดนะให้เราแค่รู้ทันแล้วก็พอแล้วเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะก็คือไม่ห้ามความคิดแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้คือ ยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้ได้ไหลขณะขึ้นไหลขณะขึ้นเออมันเผลอไปแล้วนะเผลอไปแล้วนะเรารู้หลายๆครั้งจิตก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะมันเกิดการรู้ทันรู้ทันนะการรู้ทันบ่อยๆรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปรู้ทันจิตที่มันหลงไปนี่แหละทําให้จิตมันตื่นรู้นะเพราะเมื่อจิตมันตื่นรู้แล้วมันก็จะเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูขึ้นมาได้ใช่ไหมจิตที่เป็นผู้ดูมันก็จะเห็นสภาว่ธรรมต่างๆเนี่ย มันเป็นแบบเกิดดับบ้างมาแล้วก็ไปบ้างมีความชั่วคราวบ้างนะเช่นความคิดเราก็เห็นว่าเขาก็มาชั่วคราวนะแล้วเขาก็ไปแล้วไม่ต้องจัดการแค่นะ <seul> เห็นเขาก็ไปนะหรืออารมต่างๆความรักความชังมาแล้วก็เห็นเออเขามาแล้วก็ไป <innovations> มาแล้วก็ไ ป, ไป <ceux> เขาเกิดแล้วก็ดับเนี่ยตรงนี้นะนะมันจะเป็นการเจริญปัญญานะมันจะเกิดปัญญาในตรงนี้การที่เห็นสภาวธรรมที่เกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็ไปเป็นของชั่วคราวนั่นแหละ ตรงนี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นแล้วนะความไม่เที่ยงใช่ไหมความไม่เที่ยงเราเห็นความไม่เที่ยงเราก็ไม่ยึดติดอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราไปฏิบัติธรรมแล้วมันดีจังเลยนะมันมีสติดีมีความรู้สึกตัวดีนะแต่พวันนี้มันก็ไม่ดีนะมันก็หลงก็ไหลสติมันก็ไม่ค่อยเกิดความรู้สึกตัวก็ไม่เกิดแล้วก็มีความทุกข์ทำไมแบบนี้นะนี่แหละเพราะเราเห็นความไม่เที่ยงนะเพราะนี้เพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจความไม่เที่ยงมันเราก็มีความทุกข์ แต่เมื่อเราเห็นบ่อยๆนะอารมณ์มันก็มาแล้วก็ไปมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะความคิดมาแล้วก็ไปมันก็ไม่เที่ยงมัแต่ยืนเดินนั่นอนมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวเราฟังนี่อีกห้านาทีสิบนาทีก็ต้องลุกขึ้นไปแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันก็แสดงความไม่เที่ยงชัดเจนแล้วถ้าเราเข้าใจนี่มันก็จะวางได้เออเมื่อวานมันดีมันก็ดีมันก็จบไปเมื่อวันแล้ววันนี้ไม่ดีก็คือมันก็ไม่ดีในวันนี้ก็จบไปแล้วนะมันไม่ต้องไปอะไรกับมันเพราะมันแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นตั้งหาแต่เราไปยึดเเมมมมื่่ออววววาาานนนนนนนนััััดดดดดดีีีีะ้้้้รไปปยยยึึแแลลุทตง เป็นตัณหาแล้วใช่ไหมเราก็จะมีความทุกข์จากตรงนี้อยู่ตลอดไปนะเพราะฉะนั้นจิตที่มันเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดแล้วก็ดับที่มาแล้วก็ไปไม่แน่ไม่นอนมีความแปรปรวนไปเวทธรรมดานี่แหละมันนี้คือปัญญาเนาะปัญญานี่แหละจะนําสู่ความพ้นทุกข์เพราะเมื่อเป็นมีปัญญาแล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้นะเขาจึงมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อเราบังคับเข้าไม่ได้เขาจึงไม่ตัวไม่ตนของเรานะ เมื่อไม่ตัวไม่ตนของเราแล้วนะความที่เรายึดมั่นในตัวตนของเราก็จะเริ่มลดน้อยลงลดน้อยลงไปตามลําดับตราบใดที่เราเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาบ่อยๆความยึดมัน่นก็ลดลงลดลงจนถึงระดับหนึ่งที่มันจิตสามารถที่จะสรุปโดยตัวมันเองได้ว่านี่แหละมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นแค่ธรรมชาตินะเป็นสภาวะที่มันปรุงแต่งชั่วคราวเท่างนั้นนะเราเราไปยึดในสภาวะนี่เป็นของเราเราไปตู่ธรรมชาติมาเป็นของเราแล้ว เ, เราก็ยึดมัน่นมันต้องดีต้องวิเศษนะเราก็มีความทุกข์ แต่เมื่อเราเข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมดาเช่นั้นเองมันก็มีความเสื่อมสลายมีความบังคับไม่ไม่ได้มีความไม่เที่ยงในธรรมดาแล้วเนะจิตก็เกิดการปล่อยการวางการมิยึติดในธรรมชาตินี้มันก็คืนสู่ธรรมชาติของมันเองและจิตเราก็จะเป็นอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นนะจากเวาทานาทั้งหลาย <c oughs> และเมื่อนั้นชาติภพเราก็จะจบจะน้อยแล้วก็จะสิ้นสุดในชาตินี้เนาะเพราะฉะนั้นใ น, <c oughs> ในโอกาสนี้ขออรัตนาบารมีคุณมรตตัย น้อมนำลูกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นรู้ได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน